มันก็จะฟุ้งสั้นไปตามภาษะภาษาที่ดีมานะก็ฟุ้งไปเป็นราคะภาษาไม่ดีก็ฟุ้งเป็นโทสะอย่างนี้ร้อนไปก็เป็นโทสะถ้าหนาวไปก็โทสะอีกฝนตกเยอะไปก็โทสะอีกพอดีตามใจชอบเราก็มีความสุขความสุขจิตก็ไปปรุงต่อมีราคะ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 ทิระสัญญาก็คือการที่จิตจำสภาวธรรมได้แม่นยำการที่จิตจำสภาวะของรูปธรรมได้แม่นยำนะพอรูปธรรมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสติจะเกิดเองทิละสัญญาถ้ามันไปจำนามธรรมได้แม่นยำพราะนามธรรมเกิดขึ้นสติจะเกิดเองนั่นเราต้องทำเหตุเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่น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 เป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่ง like เป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาเป็นคราวๆมาแล้วก็หายไปนี่แสดงความไม่เที่ยงไม่ได้สั่งให้มามันก็มาห้ามมามันก็มานะจะสั่งว่าอย่าไปมันก็ไปไล่ให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปอย่างความสุขเกิดขึ้นนะเราบอกให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่เนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับอย่างนี้เรียกเห็นอนัตต า, า, ตาความทุกข์มาบอกให้หายเร็วๆมันก็ไม่หาย